ารณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพร ะ, พระมาภัยบูญอภิปุนโนจะวัดป่าดอนนายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรอธอานีพูดคุยกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากพูดคุยฝ่ายเดียวแล้วก็ยังให้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้พูดคุยด้วยโดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่ารบสนียบัร มาทางรายการได้ข้าพเจ้าก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของวันพุธบ้างนำไปพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์บ้างคําถามบางคําถามก็ไม่ต้องออกมาถามกันละตอบกันให้เลยในช่วงของวันจันทร์วันอังคารหรือว่าก็เอาพระสูตรมาคําตอบบางคําตอบมีอยู่ในพระสูตรอยู่แล้วก็นําให้ฟังกันในวันเพื่อห้อดและบันสุข โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องเงินก็ได้แต่บางคนบอกว่าพูดได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินเรื่องเงินที่นี่ก็พูดได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเงินเงิ น, งนทองทองก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะแก้ปัญหาก็แก้ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเกณฑ์เป็นจดหมายหรือว่าบริษัทในวัด ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนไยโซอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรหับไปรษณีย์ก็ส1 3 0นหหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เียวรมะ p u r e d h a m m a c o m ที่อยู่ของวัดป่าดอนไหโซที่4 1 1 3 0จังหวัดอุดรธานีนี้ข้าพเจ้าก็อยู่ที่นี่แหละ ถ้าบุฟังหลายๆท่านก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันในช่วงที่ผ่านมาก็มีน อ, อสมชายทองสีเพชรจากกรุงเทพมหานครจากสมุทรปราการก็มีคณะของคุณพรพันธ์คุณบันดีจากสมวทรนครบานมก็มีมีหลายคณะที่มาเยี่ยมเยียนกันที่วัดป่าดอนไร้โศกแล้วก็มาได้ยิยนดีต้อนรับหรือว่าถ้ายังไม่มีโอกาสมาก็ฟังรายการธรรมารับรุ่นนี่แหละ สถานีวิทยุแห่งนี้จะเป็นสื่อที่สามารถจะทําให้ทั้งโมฟังนั้นได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นธรรมะต่างๆได้และนอกจากนี้ฟังทางสถานีวิทยุแล้วไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ทั้งโมฟังก็ยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดคือกเก็บข้อมูลของตอนเก่าๆเอาไว้ฟังซ้ำได้และซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้สําหรับทั้งโมฟังที่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปทางเว็บไซต์ ในรอบปีรอบปี1เราก็จะทำซีดีแจกโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะขอรับซีดีโดยท่านผู้ฟังจะต้องมีซองอยู่2อซองด้วยกันจะเป็นซองข้างนอกกับซองข้างในซองข้างนอกนี้ก็เป็นซองธรรมดาเขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0อันนี้เป็นซองข้างนอกเป็นซองธรรมดา ส่วนซองที่สองจะต้องเอาใส่ไว้ข้างในเป็นซองกันกระแทกขนาด a 4ซองกันกระแทกขนาด a อนี้ให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองต้องการจะให้ส่งไปที่ไหนแล้วก็ระบุลงไปให้ชัดเจนติดสเตม15บหาบาทพับซองนี้แล้วพับซองกันกระแทกขนาด A.C. ใส่เข้าไปข้างในใส่เข้าไปในซองที่อยู่ด้านนอกซองด้านนอกนี้ที่เขียน ที่อยู่ของสถานีวิจุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ฝากบุรุษไปสื่อมาเราก็จะส่งมาให้ที่กรุงเทพมหานครแต่ CD ดีของเราจะดําเนินการจัดทําจัดส่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดถ้าถามคําถามให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิจุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยตุลยวิภาวดีรังสิตเพราะว่า ที่วัดป่าดาวนายโศกนี่มีแต่พระท่านผู้ฟังไม่มีเจ้าพนักงานที่เขาจะช่วยบรรจุซีดีให้หรอกก็จึงต้องรบกวนทางคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลจูเวตแล้วก็ทีมงานทั้งหลายที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเขาช่วยดำเนินการให้โดยถ้าท่านผู้ฟังทำตามกติกาอย่างนี้แล้วในไม่ช้าหนไม่ช า, น, ชา น, นประมาณต้นเดือนธันวาคมนั้นก็จะได้รับซีดีอย่างที่ว่า ซึ่งซีดีที่เราแจกกันอยู่ในปีนี้จะมีจานวนทั้งหมด7แผ่นเป็นซีดี3รวมแล้วก็ทั้งหมด353ตอนแล้วก็พร้อมแผ่นพิเศษแผ่นโบนัสให้เป็นแผ่นที่8อันนี้ก็รวมเสียงอ่านพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อ่านไว้เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแผ่นพิเศษเป็นโบนัสให้ทั้งฟังอีกแผ่นนึงด้วย เราก็ยังมีแผ่นที่9เป็นแผ่นซีดีการปฏิบัติธรรมสอนการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อดรสอาดที่โทภาโสชื่อตอนก็คือมักผลไม่พ้นสมัยซึ่งก็จะแจกเป็นชุดให้รวมกันทั้งหมด9แผ่นด้วยกันเป็นแผ่นซีดี3าแต่ถ้บุฟังสนใจที่จะรับซีดีชุดนี้ก็ให้ทำตามกติกาลอย่างที่ว่าสกุลานะส่งไปที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงข่งประเทศไทยที่กรุงเทพหมหานครและถ้าต้องการถามคำถามจะส่งไปที่วิทยุประเทศไทยนี่มันจะล่าชา้าถามคำถามเนี่ยให้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโซโดยตรงถ้าต้องการ c ีดีถ้าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโซกก็จะล่าชา้าให้ส่งไปที่กรุงเทพหมหานครต้องการ c ีดีส่งไปที่กรุงเทพต้องการถามคำถามส่งมาที่อุดรธานี ตามอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับความสะดวกในเรื่องข้อมูลต่างๆวันนี้เราก็มีจดหมายที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนเป็นจดหมายส่งเข้ามาจดหม้ยฉบับแรกนั้นมาจากอําเภอแหวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกุนนวล น, น้อยเขียนมาจากอําเภอแหวงน้อยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้ส่งเป็นจดหมายมาแจ้งให้ทราบถึงการที่ได้รับ หนังสือแล้วก็สื่อธรรมะต่างๆเมื่อได้รับหนังสือและสื่อธรรมะต่างๆนี้แล้วมีความคิดว่าแหมหนังสือหรือสื่อธรรมะต่างๆเหล่านี้จะมีข้อมูลคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยมีความคิดว่าแมมฉันจะเก็บเอาไว้อ่านเองซะก่อ น, นอ่านจนจบแล้วจึงค่อยจะเอาไปไว้ที่วัดก็คือปกติแล้วตัวเองได้สื่อธรรมะใดๆมาก็จะเอาไปไว้ที่วัดเลยลด้วยความคิดว่า เผื่อคนอื่นเขาจะได้อ่านจะได้ประโยชน์จากสื่อธรรมะตรงนั้นตัวเองก็บางทีก็อ่านบางทีก็ไม่ได้อ่านแต่เผื่อเอาไปไว้ที่วัดเผื่อว่าคนอื่นเขาจะได้อ่านด้วยแต่คราวนี้นพอได้สื่อธรรมะตรงนี้มาแล้วนะครับคิดว่าจะเก็บไว้ที่ตัวเองอ่านจนจบแต่แล้วก็ค่อยเอาไปวัดในภายหลังถามว่าความคิดการการะทําอย่างนี้เนีย่ยมันจะเป็นบาปหรือไม่แหมจำมวฟัง เ, เรายืมหนังสือมาจากห้องสมุดหรือว่ายืมของใครคนใดคนหนึ่งเอามาใช้เรียบร้อยแล้วแดีวเราก็เอาไปคืนเขาก็ก็จบแค่นั้นเองแต่เราคิดว่าหนังสือนี้จะมีประโยชน์กับคนอื่นเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปไว้ที่วัดอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถทําได้ก็เหมือนกับว่าเราเอาไปไว้ที่วัดวันนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปยืมมาอ่านที่บ้านเราซะก่อนอ่านจนจบแล้วก็เอาไปคืนก็ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่มีปัญหาฉบับคุณนวล น, น้อยเขียนมาจากอําเภอแวงน้อยจังหวัดคอนแก่นก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขียนมาจากกรุงเทพมหานครมาในช่วงเวลาเดียวกันคือคุณวารุณีคุณวารุณีเขียนมาจากถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครบอกว่าตัวเองนั้นอายุ60ปีแล้ว มีความคิดว่ายังมีปัญญาในทางธรรมะไม่เท่าไรคิดว่าอย่างนั้นในจะกราบเรียนถามว่าเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิง่งความเปลี่ยนแปลงของตัวเราความเปลี่ยนแปลงของคนอื่นอย่างเป็นสุขเนี่ยได้อย่างไรข้าพเจ้าถามคุณวารุณีที่เขียนมาจากถนนสุขุมวิทเขตพระโขนงกรุงเทพมห า, าคอนครอย่างนี้ถามคุณวารุณีว่าถ้าสมมติว่า มีภูเขาหินเป็นภูเขาหินทั้งแท่งสูงเทียมฟ้าเลยลกลิ้งบทปวงสัตว์มาจากทั้งสี่ทิศทางทิศเหนือก็มีภูเขาหินลูกหนึ่งใหญ่มากกลิ้งมาบททุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทางตวนออกทางตะวันตกทางใต้แต่ละทิศละทางเนี่ยทางตวนออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วก็มีภูเขาอีกสลูกมาจากทั้ง8ทิศเลยบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กำลังเคลื่อนเข้ามานี่ในเมื่อภัยพิบั ต, ติมหาภัยอันร้ายกาดที่เกิดขึ้นขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงคุณวารุณีจะทำยังไงหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายจะทำอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าได้ถามกับพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลถามกับพระเจ้าปอร์เซนที่โกศลอย่างนี้ละ่ะ แต่ว่าถ้าบอกว่ามีภูเขาหินสูงใหญ่มากกลิ่งบททุกสิ่งทุกอย่างมาจากทั้งสี่ทิศแลจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรมันไม่มีทางที่จะเอากองกําลังกองทหารไปสู้รบปรบมือได้ไม่มีทางที่คุณจะใช้เล่กลชนใช้เวทมนต์หรือว่าจะใช้ทรัพย์ในการที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้ต้องการที่จะยกเปรียบเทียบให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงนี่แหละท่านผู้ฟัง ความเป็นแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่มีทางเลี่ยงได้ไม่มีทางเลี่ยงได้ไม่มีทางที่เราจะตะแบงตะแรงนะแทะแทไปทั้งนั้นบอกว่ามันไม่เป็นจริงผมงอกก็เอายามาใส่ให้มันสีดำเหมือนเดิมแต่ไม่งอกแล้วนะตัวเหม็นเหม็นวก็เอาน้ำหอมมาทามารูปนะให้มันหอมหอมยวเพื่อที่หวังว่ามันจะได้หอมหอมเหมือนตอนสมัยยังหนุ่มๆสาวๆ มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นผิวหนังมันเหี่ยวมันย่นแล้วก็เอาครีมมาทาบ้างเอาน้ำยามาแต่งเพื่อให้มันดูดีไปร้อยไหมไปแทงตรงนี้ฉีดตรงนั้นเพื่อที่จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือประเด็นว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงมีแน่นอนไม่สามารถที่จะสู้รบปรบมือด้วยเวชกรรมสัลยกรรม หรือว่าแม้แต่วิธีการทางการทูต่คุณจะไปต่อรองกับความเปลี่ยนแปลงว่าเอออย่าเปลี่ยนหนะ้าแต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นของเราของเขาหรือของใครก็ตามไม่มีทางไม่มีทางแต่ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นแต่ภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบททุกสิ่งทุกอย่างมาจากทั้ง4ทิศเนี่ยเราจะทําอย่างไรสิร่งที่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกชน ต, ตอบในที่นั้นเตามฝังตอบในที่นั้น พระพุทธเจ้าก็ยืนยันคําตอบนั้นว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องด้วยก็คือการที่ประพฤติธรรมประพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญอา้าวทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราประพฤติธรรมประพฤติสม่ําเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญแล้วเมื่อภัยนั้นมาถึงหรือเจ้าภูเขาหินมันมาถึงคิวของเราแล้วเนี่ยเราหนีไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะบดบี้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเนี่ยถึงคิวของเราแล้วเนี่ย เราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ภัยที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังที่มันจะสุดท้ายเลยจังหวะที่เราจะจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปถูกบทถูกบี้แล้วคือความแก่และความตายเกิดขึ้นแน่แต่จังหวะที่ความแก่และความตายตรงนั้นเกิดขึ้นหมอเก่งแค่ไหนทผู้ฟังก็ช่วยเราไม่ได้ยาดีแค่ไหนเอายามากระตุ้นความดันกระตุ้น b a กกระตุ้นศพมันจะฟื้นไหมมันไม่มีแฟรงก์เคนสไตน์ไม่มีในโลกนี้ เป็นแค่นิยามเฉยๆความจริงไม่มีความจริงคือความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นมาถึงความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมาเป็นรูปของความแก่ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมาในรูปของความเจ็บไข้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งที่รักษาได้ชั่วคราวบ้างรักษาไม่ได้บางความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมาเป็นรูปของการสูญเสียคนที่เรารักความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมาเป็นรูปของการที่ เงินที่เก็บไว้ทั้งชีวิตมันหายความเปลี่ยนแปลงมาในรูปของเศรษฐกิจที่ไม่ดีความเปลี่ยนแปลงมาในรูปของความตายเป็นต้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาแน่นอนแต่เมื่อมันมาแล้วเราจะทำยังไงให้เรายังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ผาสุกอยู่ได้แม้ว่ามีความเจ็บไข่อยู่เฉพาะหน้าผาสุขอยู่ได้แม้ว่ า, วาเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตมันอาจจะสูญหายไปผาสุขอยู่ได้แม้ว่าคนที่เรารัก เขาจะจากเราไปก่อนภาสุขอยู่ได้แม้กระทั่งวักความตายที่จ่ออยู่เฉพาะหน้าเรายังทำใจของเราให้ผาสุขอยู่ได้วิธีการนั้นก็คือการที่ประพฤติธรรมประพฤติชอบประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญเพราะอะไรเพราะทางรอดทางอื่นมันไม่มีทางรอดทางอื่นไม่มีมีทางนี้ทางเดียวทางเดียวที่ถ้าธรรมะอยู่ในใจของเราแล้ว ไอ้ธรรมะที่เราประพฤติอย่างสม่ำเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญไว้เนี่ยอย่าน้อยทําใจของเราให้ยังมีความปลาสุขมีความเกษมจากภาพนี้ไปแล้วไปสู่ภพหน้าไปสู่พระโลกก็ยังไปที่ที่ดีที่ที่มันจะมีความสุขที่ที่มันจะเป็นอย่างน้อยก็ยังมีสุขมากกว่ามีทุกเนือน้อลักษณะของเป็นสวรรค์บ้างเป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินบ้างเนี่ยนี้จะเป็นความดีความงามของเรา นี่จะเป็นวิธีการที่เราจะรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ซึ่งไอ้คาว่าประพฤติชอบประพฤติสม่ําเสมอประพฤติธรรมสร้างกุศลบําเพ็ญบุญเป็นคําที่กว้างมากเลยผมฟังกว้างมากเพราะว่าบําเพ็ญบุญก็หลายอย่างให้ทานก็ใช่รักษาศีลก็ใช่แต่จเจริญภาวนาก็ใช่เฮ้ยฉันก็ทําแล้วนะใส่บาตรฉันก็ใส่ใแต่ทําไมมันยังไม่เห็นจะผาสุขเกิดขึ้นมาได้ ปัญหาในครอบครัวฉันก็ยังมีอยู่แต่ปัวบ้างกับลูกบ้างก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราผูกเงื่อนมาอย่างไงนะแต่ละคนก็มีเงื่อนไม่เท่ากันมีเงื่อนไม่เหมือนกันสร้างเหตุปัจจัยมาต่างกันแต่ถ้าต้องการจะเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดๆก็สามารถเขียนมาสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ในทางกว้างๆที่พูดถึงการประพฤติ ธ, ธรรมการสร้างกุศลการบําเพ็ญบุญนี้ก็พูดถึงการกระทาอยู่ทั้งหมดสิบอย่าง ถ้แบ่งเป็นทางกายก็สอย่างคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รประพิปิดในการมแบ่งเป็นทางใจก็4อย่างคือการเว้นจากมิจฉาวาจาทั้งหมด4อย่างเหล่านั้น แ, แบ่งเป็นทางใจก็3อย่างคือการมีสัมมาทิฏฐิเว้นจากการเพ่งเล็งคืออภิชาเว้นจากความคิดปยาบาทความคิดร้ายความคิดอาฆาตพวกนี้ทั้งหมด10อย่างเนี่ยเป็นกุศลกรรมบทเป็นการสร้างกุศลเป็นการบําเพ็ญบุญที่เรากระทาได้ ทางกายทางบาจา์ของเราอีกคำถามหนึ่งมาจากคุณเถลิงโพพง์แต่ถ้าข้าพเจ้าอ่านไม่ถูกกระคอัยด้วยเถลิงหรือเถเกิงไม่แน่ใจโพที่พงศ์เเอเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของหมวดธรรมในที่เรียกว่าพรหมวิหารสแล้วก็โพชง7ในข้อที่เกี่ยวข้องกับอุเบกขาว่าอุเบกขาที่อยู่ในพรหมวิหารสี่ ขบุเบขาที่อยู่ในโพชงเจเนี่ยต่างกันหรือไม่เนี่แหละคือความแตกต่างกันของธรรมบพิไนนี้รรมวังเพราะว่าเรื่องพรหมวิหารสเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนองค์เดียวแต่พระามเขาก็สอนกันในสมัยนั้นบางคนเขาก็พูดถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาสอนอย่างนี้แล้วคุณจะไปอยู่เป็นพรหมอาคนนั้นก็สอนอย่างนี้นี่นะพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้นี่นะ แล้วมันต่างกันยังไงล่ะนี่เขาก็ถามกันอย่างนี้มันต่างกันตรงที่โพชงนี่แหละท่านฟังแต่ว่าคนอื่นเขาจะไม่พูดเรื่องโพชงคือองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ธรรมเลยจะไม่สามารถที่จะอธิบายถึงว่าเอออุเบคาเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อวิมุตเป็นไปเพื่อความหลุดพน้นเป็นไปเพื่อโพธิเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมได้อย่างไรเกาจะไม่ทราบ แต่ น, นคือหมายถึงพวกพราหม์ที่อยู่ในสมัยนั้นเขาก็พูดถึงเมตตาพูดถึงอุเบกขาละแล้วแต่ว่าเราอยังไรต่อแล้วก็จบที่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้ของพระพุทธเจ้าของเราคําสอนนั้นลึกซึ้งแล้วก็ยังพูดถึงมวยที่เป็นโพชงคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมแล้วโพชงคือเป็นไปเพื่อโพธิญาณคือการรู้อันยิ่งนั่นคือโพธิพระนุเบกขาที่อยู่ในโพชงเจ็เนี่ยกับอุเบกขา แต่ที่อยู่ในปรมิหานสี่แต่จะพูดถึงตัวเนื้อหาธรรมะเองในที่พูดถึงความว่าอุเบกขาคือความวางเฉยสิ่งใดมากระทบก็วางเฉยได้อันนี้ไม่มีความต่างกันเหมือนกันตรงตัวของคุณธรรมเองแต่ว่าถ้ามีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูจิตใจของเรามีสมาธิอยู่ยเป็นผู้ที่เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นนั่นคือเป็นอารมณ์เดียวนั้นอย่างดีแล้วเวลามีสิ่งใดมากระทบก็วางเฉยอยู่ได้ ความวางเฉยเนี่ยเรียกว่าเป็นอุเบกขาทําให้ความวางเฉยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในพรหมิหารสี่หรืออยู่ในโพชองเจ็เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันตรงนี้แล้วที่ต่างกันก็นคือการนําไปใช้งานตจำฝังแต่ว่าถ้าเป็นพรหมิหารสี่ใการนําไปใช้งานนี่เป็นเครื่องอยู่ที่จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่ของบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําำควรจะต้องมีพรหมิหารสี่ เน่คืออยู่ตรงนั้นเราก็จบไปแล้วก็ใช้คุณธรรมนี้ดีไหมดีเนี่ยไม่มีข้อกังกาในข้อนั้นแต่ว่าการใช้งานสําหรับอุเบกขาในโพชงเนี่ยที่เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยจะใช้งานในลักษณะที่จะเป็นไปให้จิตนั้นพร้อมแล้วแต่องคประกอบที่เกิดขึ้นตรงนั้นจิตนั้นจะพร้อมแล้วแก่การตรัสรู้ธรรมแต่มันยังไม่ตรัสรู้ไงมันจะต้องน้อมไปอีกแต่ซึ่งมันมีขั้นตอนหนึ่งเรียกว่าโพชง แต่ถ้าเราจเจริญอย่างไรทําให้มากอย่างไร จ, จึงจะเป็นไปเพื่อวิชาและวิมุตได้นั่ก็คืออาศัยโพชงนี่แหละในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้แต่เราเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆอาศัยอุเบกขาที่เราเห็นอยู่นี่แหละความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆที่มากระทบแน่นอนละใจของเราวางเฉยแล้วมีความวางเฉยนั่นคือมีอุเบกขาอยู่ในใจแล้วมีอุเบกขาอาศัยตรงนี้แหละ อาศัยอุเบกขาตรงนี้เห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆที่มากระทบแล้วแล้วเราจะมีความหน่ายพอมีความน่ายแล้วก็จะคลายกําหนัดพอคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ตรงนี้แั่นก็จะไม่เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานเกิดเป็นวิชาวิมุติขึ้นมาได้ก็คืออาศัยอุเบกขาในการที่จะทําให้เกิดการปล่อยวางแต่ปล่อยวางก็แม้กระทั่งอุเบกขานั้นด้วย ปล่อยวางแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นด้วยนื้อคือปล่อยวางหมดเลยเพราะงความต่างกันมีอยู่ตรงนี้ตีว่าถ้าคุณมีอุเบกขาในโพรโมหันศรีเนื้อคือต้องยึดเอาไว้ถื อ, อไว้ในื้อเพื่อที่จะเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเอาเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องมีต้องทําต้องให้ได้นื้อคือลักษณะของอุเบกขาในโรมวิหารีแต่ลักษณะการใช้งานของอุเบกขาในโพชงก็คือใช้ในการที่จะ ให้เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ความดับไปของสิ่งต่างๆทำอย่างนี้บ่อยๆมากๆแล้วแล้วจิตมันจะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้ก็คือปล่อยวางทั้งสิ่งที่เราไม่รับรู้นั่นด้วยปล่อยวางทั้งธรรมะคือเจ้าตัวอุเบกานั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าเราพยายามปล่อยวางอุเบกานั้นแต่วัาางคืออุเบกานี่นมีแล้วก็ดีแต่ใช้อุเบกานั้นในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ ในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันแล้วจิตนั้นในขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีความน้อมไปใ น, ในการคลายกําหนัดน้อมไปในการที่จะปล่อยวางพอจิตมันนายคลายกําหนัดน้อมไปในทางนั้นแล้วก็อย่าไปยึดถือแม้กระทั่งเจ้าอุเบกขานั้นด้วยมันจะต่างกันตรงการใช้งานตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงจัดเรื่องของอุเบกขาที่มาใช้งานในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อโพธิเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้เนี่ย เอาไว้ในหมวดกองธรรมที่เรียกว่าพ่ชงทั้ง7ซึ่งถ้าพูดถึงตัวคุณธรรมเองแล้วเราก็จะเหมือนกับอยู่ในพรหมิหารสีนั่นเองนั่นคือดคำถามของคุณเถลิงโผทิพงศ์ในข้อที่1่ในข้อที่2ก็ยังถามเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาแต่ว่าเวทนาหมายถึงอะไรใ น, ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงอุเบกขาเวทนานั่นเองแต่คำว่าเวทนาคือความรู้สึกแต่มหวังเวทนาคือความรู้สึก กิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิงนั้นจึงเรียกว่าเวทนาสิ่งนั้นรู้สึกได้ซึ่งอะไรบ้างก็รู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นสุขบ้างรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นทุกข์บ้างรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันไม่สามารถจะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์บ้างซึ่งบังคนจะไปเข้าใจคําว่าทุกข์คือสุขเวทนาหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยว่าเป็นอุเบกขาแต่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน คืเบคคานั้นมีความละเอียดกว่ากันมากในอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้เคยแบ่งเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเอาไว้5อย่างด้วยกันก็คือความสุขทางกายความสุขทางใจความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาแต่ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าสุขหรือไม่สามารถบอกได้ว่าทุกขเพราะว่าไอ้เจ้าความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเนี่ยก็มีผัจจะ มีเหตุมาจากภัษสะที่จะไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นได้แต่ถ้าผาสะนั้นมันไม่มีความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นก็ดับไปดับไปแล้วเหลืออะไรก็เหลืออุบเบกขาในะอุบเบกขาจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตรงนั้นซึ่งถ้าเราพูดถึงเวทนาในแง่ของอุบเบกขาเนี่ยเวทนานี่เราเราจะยึดไม่ได้เราจะมาจับฉวยยึดเอาเป็นตัวเราของเรา ไม่ได้ว่าฉันมีเวทนานี้ฉันมีอุเบกานี้แต่ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเรายึดจับโชนนั้นบางทีมันไม่เกิดแต่บางทีเจ้าเวทนาอุเบกขาที่เราอยากให้มันมีอยากให้มันได้นั้นไม่มีไม่ได้ไม่เกิดแต่สิ่งที่เราต้องทำนั่นคืออุเบกขาที่เป็นเรื่องของมรด์มันต่างกันนะบูฟังอุเบกขาที่เป็นเรื่องของเวทนาเราเข้าใจว่าบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีอันนี้เข้าใจถูกอุเบกขาที่เป็นเรื่องของมรด อันนี้เราต้องทำไห้มากๆทําให้เกิดมีถ้ามันไม่มีเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้ามันมีเราทําให้มันเกิดมีได้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็ดีมันก็เป็นส่วนของมรรคทำให้เราเห็นทําได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอุเบกขาในแง่ของเวทนานั่นคือเป็นส่วนของความทุกข์จะไปยึดถือไม่ได้ถ้าพูดถึงอุเบกขาในแง่ของปรหมิหารเป็นเครื่องอยู่เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ ของผู้ปกครองที่เขาจะต้องมีกันอันนี้สามารถมีได้มีแล้วดีแต่ซึ่งตัวคุณธรรมตรงนี้เองก็จะเหมือนกับอุเบกขาที่อยู่ในโพชองเจ็ตทีนี้การใช้งานที่มันจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าอุเบกขาที่อยู่ในพ่อชองนั้นใช้ในลักษณะที่จะน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิ่ผ่านได้โดยการที่อาศัยอุเบกขานั้นหเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความดับไป จินั้นก็จะน้อมไปเพื่อความหนายกายกำนัดแล้วก็สามารถที่จะทำวิชาวิมุตต์ให้เกิดขึ้นได้แต่ตรง น, นี้ต้องแยกกันให้ถูกทำความเข้าใจให้ดีนะว่าอุเบกขาตรงส่วนของเวทนานั้นะเป็นเรื่องของความทุกข์แต่อุเบกขาที่อยู่ในโพชฌงนั้นเป็นเรื่องของมรรคอุเบกขาที่อยู่ในเวทนาเป็นความทุกข์หน้าที่ที่เราจะต้องทำกับมันก็ไม่เหมือนกันหนะ้าที่ที่จะต้องทำกับอุเบกขาเวทนาก็คือต้องทำความเข้าใจกับเขา เข้าใจในลักษณะที่เห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นข้อเสียเห็นข้อดีของมันอุเบกขาที่อยู่ในโพชงที่เป็นองค์แห่งมารนี้หน้าที่ที่จะต้องกระทำคือทำให้มากๆทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้มีความชำนาญทำให้มีความเจริญขึ้นมาความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรับรู้เรื่องของเวทนาตรงอุเบกขานั้นต้องรับรู้มารเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญก็คืออุเบกขาที่อยู่ในโพชงนั่นเอง มีคําถามหนึ่งท่านผู้ฟังที่สามารถตอบชันชันได้ในที่นี้ามาจากคุณสมเกียรติสีเมืองเขียนมาจากเขตประเวศกรุงเทพมหานครคุณสมเกียรติได้ถามถึงบทสวดมนต์ต่างๆที่มีค ำ, ำว่าปัทวีธาตุแต่คําว่าปัทวีธาตุเนี่ยอ่านออกเสียงว่าทาตุหรือว่าธาตุกันแน่คือถ้าภาษาไทยก็อ่านว่าธาตุใช่ไหมทอทงสลาตอเตาสลาอุอ่านว่าธาตุถ้าเป็นภาษาบาลี นันก็ต้องอ่านว่าทาตุนั่นก็ต้องปัทวีทาตุแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณอานเป็นภาษาอะไรซึ่งคําภาษาไทยที่ยืมมาใช้จากภาษาบาลีก็เยอะแยะถ้าเราจะอ่านเป็นรูปของภาษาไทยก็อ่านว่าธาตุแต่อ่านเป็นรูปของภาษาบาลีก็อ่านว่าทาตุนอกจากนี้คุณสมเกียรติจากเกตประเวศกทมก็ได้ร่วมบุญมาด้วยหลายอย่างในที่นี้ก็มีทัพุฟังได้ร่วมบุญในการจัดทําซีดี มีคุณน้ำพรทองเหลืองจากจังหวัดกาญจน บ, บุรีมีคุณลัคนาเจิิมโรดอันนี้ส่งมาจากจังหวัดระยองแล้วก็ร่วมบุญกันมาด้วยทั้งงานกระถินทั้งงานทำซีดีแล้วก็คุณเสาวลีคุณเสาวลีพุทธดวงนี้ร่วมบุญมาจากอําเภอเมืองจังหวัด ต, ตรังแล้วก็ร่วมบุญกันมาโดยการเขียนเป็นส่งเป็นธนบัตรบ้างโอนเงินผ่านบัญชีบ้าง นครับาเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยกับท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาแน่นอนว่าไอการจะทําซีดีสื่อธรรมะหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยการดําเนินงานต่างๆเหล่านี้ก็มีค่าใช้จ่ายแต่ซึ่งค่าใช้จ่ายที่มีนั้นเราก็ช่วยกั น, น, นในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าเราเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีเราจึงทําสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้มันดีแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ร่วมบุญกันมาในที่นี้ วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะนําประวัติเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องคําถามนั้นเขียนส่งกันเข้ามาได้ข้าพเจ้ายินดีตอบให้โดยส่งเป็นไปรษศนียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่วัดป่าดอนหาโศกเลขที่1หมูปป่8ตําบลดอนหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีและสะดวกทางเว็บไซต์กับ puredhama.com ที่นก็จะมีข้อมูลอีกหลายอย่างนะระวังที่สามารถจะเป็นความรู้เพิ่มเติมพอกพูนองความรู้ของเราได้ที่เว็บไซต์มีข้อมูลอยู่วันนี้ข้าพเจ้า พ, พระมหาไพบูุญอภิปุโนเขาขอลาไปก่อนเจริญพน